เป็นปากเป็นเสียงแทนพระพุทธเจ้าขอเป็นแขนเป็นขาแทนพระพุทธเจ้าหอเป็นสติปัญญาแทนพระพุทธเจ้าครูอาจารย์พ่อแม่เพื่อนน้องที่ทำความดีมาสมัยบรรพบุรุษตังสอนพวกเรามาเรียนาาตามพ่อต่อตามครูมา หลองจาก็ไปฉศฐาไปงานลำลึกคิดถึงผู้อาจารย์วันที่หลองวอันเทียนอลรณภาพวันที่สิบสามกันยายนในสองวันนี้ไปรำจิตกรรมร่วมกันกับนักศึกษานุสิทธิ์ที่เคยอยู่ด้วยกันมา ทั้งที่เป็นนักวดและฆราวาสเจ้าโจมมาที่เัดโมฆขอนเกลนก็ได้ทำวิธีอันที่เป็นรูปธรรมแม่เป็นคำสอนที่เป็นคำพูดเป็นตัวหนังสือเอามาแสดงเอามากระทำให้เกิดขึ้นมันก็ยังมีอยู่เราได้สัมผัสกับคำสอน กับครวบาอาจารย์สัมผัสกับคาสอนของพระพุทธเจ้ายังมีอยู่ลเลิกรอจึงไม่น้อยเนื้อตามใจตามตามพระเจ้ายังได้อยู่บรรลุธรรมไปด้วยกันกับเช่นทางเดียวพระพุทธเจ้าเอาถึงธรรมะได้เหมือน ก, นกันกับพระพุทธเจ้า อยู่ทุกโอกาสโดยเฉพาะการปฏิบัติธรรมเพราะยังขัท่าทายกับคนในโลกปะนุษย์ทั้งโลกอยู่ยังกึกก้องอยู่ว่าปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการผู้ปฏิบัติย่อมรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่คนรู้คนเห็น ตามทุกความแย่ผู้ปฏิบัติเป็นของอัศจรรย์มีอยู่ในชีวิตของคนพูดธรรมะก็คือพูดเรื่องของคนนี่ไม่ใช่เรื่องนิยายนิทานอะไรนั่งอยู่นี่ก็คือคนเราคือมนุษย์ชีวิตหนึ่งมีต้องมลษณะเหมือนกัน มีความหลงก็ความหลงเหมือนกันในความทุกข์ก็มีทุกข์เหมือนกันในความโกรธก็มีโกรธเหมือนกันในความรู้ก็มีความรู้เหมือนกันในความไม่ทุกข์ไม่โกรธก็มีได้เหมือนกันเราจึงเทียบไหลได้เมื่อผู้ใดพูดถึงความทุกข์เราเคยทุกข์ผู้ใดพูดถึงความไปทุกข์เราก็ไม่ ทุกในว่างพูดถึงความหลงเราเคยหลงพูดถึงความไม่หลงเราก็เคยไม่หลงนะเหมือ น, นกันยังเอามาพูดมาทำกันบ่อยๆมีผู้พู ด, พดมีผู้ฟังมีสถานที่พอที่ให้เกิดความสะดวกภาคปฏิบัติธรรมนี้เป็นภาคสนามไม่ใช่ภาคเรียนรู้มาฝึกหัด นเริ่มต้นด้วยสร้างความรู้สึกตัวเป็นลูกอโลนของกระแสแห่งพระในพานถ้ามีความรู้สึกตัวเหมือนเห็นเฉงเงินเฉีงทองขึ้นมาได้บ้างื้อมีความรู้สึกตัวก็มีเห็นความหลงทันที เมื่อมีความรู้สึกตัวก็มีความรู้ทันทีขณะที่มันหลงมีความรู้สึกตัวความหลงก็ไม่มีทันทีไม่รีบไม่รับเป็นความเท็จความจริงสัมผัสได้อยู่ความหลงไม่จริงความรู้สึกตัวจริงอยู่เห็นกายก็มีกายจริงจริงเคลื่อนไหวก็มีการเคลื่อนไหว ของการจริงๆรู้เวลาที่มันเคลื่อนไหวขณะที่มันเคลื่อนไหวก็รู้ได้จริงๆบางทีขณะที่เรารู้สึกตัวการเคลื่อนไหวมีโอกาสหลงมันก็หลงได้จริงๆแล้วก็เปลี่ยนความหลงเป็นความรู้เปลี่ยนได้จริงๆนี่คืองานของเราไม่ใช่เราฟรีไม่รู้อะไร ได้อะไรไม่ใช่หาการได้การรู้ที่มันเป็นวัตถุสิ่งของมันก็หาเงินหาทองทำงานทำการไม่ใช่เป็นแบบนั้นเั็นเป็นอริชอบภายในเป็นความดีเป็นความไม่ดีมันมีอยู่ในชีวิตเราจึงมาทำกับมือเห็นกับตาของใครของเรา เอามือวางไว้ังเขา่าแล้วก็มีมือมีเขา่าเหมือนกันปิกมือขึ้นรู้จึกตัวยกมือรู้จึกตัวเป็นรูปเป็นแบบแบบฉบับเรื่องนี้วิธีนี้พระพุทธเจ้าได้แสดงมาสอนมาตั้งแต่วันวาสหะบูชาเป็นเดือนแปดหลังตัดสะลู สองเดือนเราจะรู้เพณเดือนหวางแผนอยู่เดือนเกตันเพณเดือนเกตจึงออกจากศรีมหาโพธิ์เวลาเดินทางอยู่หนึ่งเดือนมาถึงวันเพณเดือนแดที่อิศิปัจนะมนลึกะายวันจากพุตขยามาถึงพาราจี วงเขาเดินทางไม่มีรถนั่งเหมือนพวกเราเค่รอหนึ่งเดือนเพื่อมาสอนพิสูจน์กันดูผู้เที่บะฟังเรื่องนี้ได้คือปัญจวิคีก็มาพบปัญจวิคีก็ได้สอนปัญจวิคีแต่มันเป็นเงินแปดเพราะว่ากายางปัญนาสติปัฏฐานเป็นทาง รวมหลงไม่ใช่ทางเห็นกายในภาคพิเศดีก็มีมากเรียกว่าธรรมจักระปวัตตนสูตรอนัตตาลัคนาสูต ร, ตลตรแล้วก็ปุ้ยอริสัจีสออาการที่สอนปจัจจะบวนีเห็นกายจนเห็นว่ากายสภาวะกาย ที่มันแสดงออกมาไม่ใช่มีแต่แขนแตักขามือมันมีอะไรอยู่หลายอย่างเห็นมันบางทีเห็นกายมันมีแสดงเรื่องกายความร้อนความหนา ว, ว, าวความปวดความมื่ยความหิวมันแสดงเกิดกไป้ายเแล้วมันแสดงออกมาเห็นกายสภาวะกายแต่ก่อนมันเป็นตัวเป็นตนอยู่ในอาการ ตนก็เป็นตัวเป็นตนหนาวเป็นตัวเป็นตน้นสุกทุกข์เป็นตัวเป็นตน้นอันที่มาเกิดกับกายออกมาเป็นตัวเป็นตนหลายพบหลายชาติพอมีสติเห็นก็ทักท้วงกันว่าโอ้นี่กายกันจะว่ากายไม่ใช่จัตตุคลตัวตนเราเขาเกิดอีกเรื่องกี่ราวที่เกิดกับกาย เห็นคำเดียวพูดเรื่องเดียวรู้เรื่องเดียวสักว่าสักว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลโตตนเหล่าเขาจนเรื่องของกายจบไปในภพชาตินี้หมดไปหมดไปจริงๆแม้บันเกิดขึ้น ใ, นใดก็สักแต่ว่าไม่มีภาระไม่เป็นสุขเป็นทุกข์เพราะกายเป็นปัญญาไปเสียแล้วแต่ก่อนเต็นปัญหาเรื่องใหญ่ ความหิวก็เป็นเรื่องใหญ่ความร้อนก็เป็นเรื่องใหญ่ความหนาวเป็นเรื่องใหญ่จนถึงใจถึงเป็นทุกข์พอเห็นสชาวกายมันก็ไม่มีเรื่องไปถึงไหนจบแค่กายใต้ปัญญาตรงนี้อาจจะเรียกว่าสิ้นพพสิ้นชาติของกายไปเสแล้วที่มันเป็นตัวเป็นตนในเรื่องในราต่างๆหมดไปแล้ว แต่ก่อนมันไม่หมดหิวข้าวก็โกรธเป็นทุกข์ตัวเองไม่พอพานก็เดินเรื่องเป็นเลายื้อแย้งกันเสียนข้ากันเพราความหิวโรคเพราะความหิวหลงเพะความหิวทุกข์เพราความหิวพอมาเห็นมันก็ไม่ใช่เกิดไปมากถึงขนาดนั้นมันก็เห็นศกแต่ว่า เป็นธรรมชาติเป็นปฎาการของกายไม่ใช่เป็นเมทนาความร้อนความหนาวเป็นอาการ เ, เรื่องหน้าของคุณเป็นสัญญาณภัยของกายที่มันเป็นธรรมชาติยอดเยี่ยมมากโยงกับก็เจ็บธรรมชาติอาการเพื่อมันต้องกันภยัยจะได้ช่วยเหลือกายถ้าไม่รู้อะไรมันก็ไม่ปลอดภยัย มันจังรู้ร้อนรู้หนาวรู้หิวรู้เจ็บรู้ปวดจบไปแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้วเห็นเวทนามันสุขมันทุกข์สุกทุกข์นี่ไม่ถึงกายถึงใจรวมกันพอเหตุกายเป็นเหตุแล้วก็เบาลงเวทนาก็อ่อนลงไปไม่สุกไป็ทุกข์แต่ก่อนเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์ จึงเรียกว่าสุกเวทนาทุกเวทนาบ่มาเห็นเวทนาสักว่าเวทนามันก็หมดไปแล้วคําว่าเวทนาจบแค่นั้นให้มาเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่มาหลงบาโลภเพราะเวทนาเวทนาอย่างเดียวแต่ก่อนไม่รู้รับใช้กลมขืนขโมยพ่นขี้เพื่อได้เวทนา จิงงที่ไม่เกิดเวทนาเยอะแยะจกับตาก็มีหูก็มีจมูกเร่งกายใจรูปรสฉินเสียงเราเลี้ยงไปด้วยวัตถุอาการต่างๆเพื่อให้ได้เวทนาติดเล่าติดจาติดปรีติดสิ่งเสพติดอะไรต่างๆมากมายหลับใช้เวทนาไม่รู้จักเอีมไม่รู้จกักคอ โอรานท่านว่าจิ้นหวมหวมพร้อมโพอกไม่มีวัตถุให้จิ้นก็จิ้นรูปรดชิ้นเสียงไปก็มีพอเห็นเวทนาจากเวทนามันก็จบไปสิ้นพบสิ้นชาติของเวทนาไม่หลงแล้วมันก็เป็นอย่างนี้อ่ะปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมมันไม่ใช่เหมือนเดิมมันพ้นภาะวะเก่า ล่วงไปจากภาวะเดิมเห็นจิตที่มันคิดมีอยู่มันก็คิดเป็นเพราะว่ามีรูปมีดาบมีจิตมีใจคือคนเป็นๆคือคนยังไม่ตายมีชีวิตมีสัญญามีสังขารมีวิญญาณคิดเป็นแล้วคิดบ้างไม่อยากคิดก็คิดบ้างตั้งใจคิดก็มี ไม่อยากคิดมันก็คิดก็มีความคิดเนี่ยไม่รู้จากการไม่รู้จักการรัติศาคิดได้ทุกแง่ทุกมุมปาเถื่อนบางครั้งสมสอนคมคิดเนี่ยมาเห็นมันอยู่ดีๆกันเลยทีสจะอยู่มันคิดขึ้นมาไปแล้วออกไปแล้วปั๊บไม่รู้ออกนังไหเข้าไง ไม่รู้ทันไปซะแล้วจึงได้เกิดจากความคิดเป็นสุขเป็นทุกข์ได้เป็นสุขเป็นทุกข์เพราะความคิดได้เป็นจิตเดชปัญหาพวมคิดได้หลงมันหลอกแล้วหลอกอีกหลงในความคิดแล้วหลงในความคิดอีกพอมาคิดทีไรก็รู้ทึกตัวนี่คือภาคปฏิบัติไม่ใช่ไปตามความคิดหาคางตอบจากความคิด เวลาเราทํงานมาตรฐานประคัดก็ไม่ควรจะหาเรื่องมาคิดเวลานั่งสร้งจังหวะยกมือเคลื่อนไหวก็ควรจะรู้เรื่องการเคลื่อนไหวนี้คือกรรมคือการกระทําเป็นที่ตั้งของการกระทําวลาเดินจะ ก, กรมก็รู้การเดินจง ก, กรมเวลาเดินจะ ก, กรมมันก็คิดได้เวลานั่งก็คิดได้เวลานอนก็คิดได้แม้จะทําอะไรก็คิดได้ชื่อว่าความคิด เราก็รู้วันคิดที่หนึ่งก็รู้ทีหนึง่งก็มารู้เปลี่ยนตัวคิดก็มาเป็นตัวรู้สัมแล้วสัมเีกเปลี่ยนแล้วเป็นเดีกเห็นบ่อยๆของที่เห็นนั้นเก่าบ่อยๆันเราเห็นหน้ากันเห็นกันบ่อยๆก็จํากันได้ได้ยินเสียงพูดบ่อยๆก็จําเสียงกันได้ยิ่งคบกันานานๆาก็รู้จักนี่เฉยใจคอ ถ้าเป็นคนอื่นอันที่มันอยู่ในเราเนี้ยมีบัณฑิตมีคนพานลเราเหลี่ยงคบคนพาลในเคบบัณฑิตบัณฑิตคือตัวรู้คนพาลคือตัวหลงต้องโกรธความทุกข์เป็นคนพาลเัาไม่โกรธไม่ทุกข์เป็นบัณฑิตสัมผัส ด, ดูไม่มีคำถามตอบเอาใครอ่อเราน้องอยู่เฉยๆมันชิดไป กลับมารู้เขาใช่ไปตามความคิดเขาไปอยู่ในความคิดนี่คือภาคสนามลู่หลบเป็นปีกลูกเด็กปัญหาเพื่อขัดตัวเองความหลงแท้กลายเป็นความรู้ความทุกข์ายเป็นความรู้ความสุขกลายเป็นความรู้กิเลสปัญหาราคาปันห้ารอยแปดเป็นความรู้ได้ทั้งหมดหรืว่าเปลี่ยนร้ายเป็นดีหรือว่าภาพปฏิบัติ ามาปรกคัดอะไรเอาเป็นดีมาผิดให้เป็นถูกไปเลยสภาพที่รู้จักตัวเนี่ยมันเป็นศักดิ์สิทธิ์เหมือนขี้ตายขี้เป็นได้นั่เป็นการกระทำของตัวใครตัวเราก็ไม่หัดก็ไม่เป็นจงมาประคัดไม่ชะเยืนให้แจกให้ได้จึงมีสถานที่แบบนี้ มีการกระทําแบบนี้มีรูปแบบแบบนี้เป็นหลักสูตรอยู่ในชีวิตเราทุกคนอันเดียวกันทุกคนจะเป็นชาติใดปลาอะไดรูปใดวันะใดเพศใดใบใดไม่เกี่ยวไม่ต้องออกมาอ้างความรู้สึกตัวไม่มีเพศไม่มีวัยไม่มีอาการเวลาเป็นความรู้ของผู้รู้ ใครลูกก็เป็นของลูพกพคนนั้นใครไม่ลูกก็เป็นไม่ใช่ของคนนั้นเราจึงเฝึงหาดเห็นจิตเอลามาชิดเห็นมันลู่มันจนเห็นนะว่าจิตสภาวะจิตน่นะนะไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแต่ก่อนเราก็ไปตามจิตความคิดเลยถือว่าใช้ันหมดเลยมันที่จะหัวเราะก็หัวเราะมันที่จะร้องไห้ก็ร้องไห้มันที่จะโกรธก็โกรธคิดจะ ทำไรก็แสดงได้น่าบูดร่เ บ, บิ่กับมัดกันฝันจับตาวุดได้ฆ่ากันได้ด่ากันได้ไปจากความคิดความคิดที่ไม่ได้เจตนาก็เกิดความหลงผความคิดไปไกลความคิดอย่างเดียวออรู้สึกตัวก็ชืี้หน้าเลยจิตสวัาจิตไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาสิ้นพบสิ้นชาติอันพบนี่ได้ กระแสแห่งพระ涅槃ย่อมเกิดขึ้นแบบเนี้ยไม่ใช่จะไปบ้านใดมืงใดจนเห็นธรรมสักว่าธรรมตามเป็นกุศลหรือกุศลมีอยู่ควาโง่ความฉลาดความงงงงนอนความ ห, หนนามลังเลสงสัยความคิดพุ้งซ่านเป็นขวงกันเป็นอาธรรมเป็นธรรมมืดธรรมดำรวมรู้สึกตัวเป็นธรรมขาว นี่ศีลมีสมาธิปัญญาความไม่ดีตรงละความดีทำต่อไปนี่ว่าละความชั่วเกิดขึ้นเมื่อใดเปลี่ยนกองไม่ดีเป็นดีทำดีต่อไปรูปต่อไปไม่ใช่ความไม่ดีเกิดขึ้นหมดกำลังใจไม่ใช่นี่เมื่อมีความไม่ดีเกิดขึ้นรูป รูจักตัวทำความลู้เรื่อยไปหลักเราก็ไม่อยู่กลับมาเคลื่อนไหวเลื่อยไปเราเดินย่อมกรมก็เดินย่อกรมเรื่อยไปถ้าใช้หยุดไม่ได้เลยเลยจนเข้าไปเป็นกับมันนั่งนั่เหงานั่งงอหน้ า, ง, น า, นางูวดนั่เบื่งถึงเครียดต่อซึมต่อซื้อไปถามดูเป็นไงหนู แย yeah, ่ไม่ไม่หวเลยไม่ไหวเล ย, เลยทำไมละ่ะมันเครียดมันชิดมากม่ว ง, งก็ม่วงเออมันเครียดก็เครียดเมื่อมันชิดก็ไปอยู่ในความชิดเมื่อมันง่วงก็ไป อ, อยู่ในความ่วงสองพ่อไม่ได้สอนแบบนั้นสองพ่อสอนให้เห็นมันเป็นคนม่วงเป็นคนเครียดหรือเห็นมันเครียด เป็นผู้คิดเห็นมันคิดของตาสอนอย่างนี้พระเจ้าสอนอย่างนี้อยู่ในลักษณะนี้นานเท่าไหร่ทั้งวันเลยวันนี้หลวงก่อเบืงง่อหน่ายเห็นบันลืปเป็นไปกับมันวันนี้หนูเครียดมากใช่ไม่ได้ไมันเช่นนักปฏิบัติมันเน่งว่อ ม, มากใช่ไม่ได้ เราจะพูดออกมาสักคำก็วันนี้หนูเห็นมันเครียดหนูเห็นมันคิดนั่นจึงเรียกว่าผึกขัดไม่ใช่ไปเป็นกับมันเห็นมันก็เห็นมันก็อิสระถ้าเปน็นก็เป็นทาตุของมันเลยไปต่ําไปเรื่อ ย, อยความดีหมดไปเรื่อยถ้าเห็นเราความดีเกิดขึ้นจนเห็นทำจากว่าทำ มอญช่ยสัตว์ปุกคนโตต่ลรอเขาสี่ภพสี่ชาติเนี่ยหมดไปเลยชิ้นภพชิ้นชาติไม่มีนิว่รณิพานตรงนี้ได้เวทนานิพานไปแล้วกายปิ้ผ่านไปแล้ ว, ปลวเป็นแต่ ก, กายต้นล้วนใช้ให้เป็นประโยชน์ววกายสจักายไม่ใช่สัตว์ปุกคนโตต่ลรอเขาหมดไปแล้ว อ่อนที่เป็นภพเป็นชาติในกายหมดไปแล้วสิ้นภพสิ้นชาติตรงนี้ได้กระแสแห่งภายใ น, น, นพานเมตนาสิ้นภพสิ้นชาติสุขทุกข์ที่จะเกิดจากสุขทุกข์กกกกกกมาเป็นตัวเป็นตนสิ้นภพสิ้นชาติมีแต่ภาวะ ท, ที่ลู้เข้าไปภพชาติในจิตคิดอะไรเป็นภพเป็นชาติบางทีภพชาติเกิดจากความคิดมากายเป็นเปตก็มี เป็นอจุลกายก็เป็นจนลกก็ไปคิดกันมาแล้วนอนไม่หลับทุกน้ำตาไหลเพราะความคิดตัวเองโกรธเพราะคบคิดตัวเองรับใช้มันเป็นพบเป็นชาติเป็นพบภูมินับไป่ถ้วนเกิดดับเกิดดับเนี่ยชินพบชินชาติ ต, ตรงนี้ไป น, น, นิพพานตั้งแต่ที่แรกเลย กะ แ, แสแห่งพระนิพพานย่ยอมเกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติธรรมไม่ใช่ไปหาจะได้อะไรมันเป็นไม่ใช่มันได้มันเห็นมันเป็น้ไม่เป็นไม่ใช่เรียนรู้วมรู้ใช่ไม่ได้ทำให้มันเป็นการทำให้เป็นเนี่ยไม่ใช่ไปใช้สมองเป็นการฝึกหัด เราอชอบชอบใช้สมองอะไรก็หาคําตอบจากความคิดไม่ใช่ไม่ใช่หาคาตอบจากความคิดโดยจากการกระทํากรรมเป็นสิ่งที่จาแนกไม่ใช่เกิดจากความคิดความคิดที่ว่าปัญญาอันน่งเป็นจิตจินต์มายปัญญาใครก็รู้รู้ว่าโกรธไม่ดีแต่ยังโกรธอยู่ รั่วทุกไม่ดีแต่ยังทุกอยู่เป็นกินต่มัปัญญาปัญญาเกิดจากความคิดมีทั่วไปในโลกต้องเป็นภาวนามายปัญญาปัญญาเกิดจากการเปียนร้ายเป็นดีจนชำนิชำนาญยอดเยี่ยมกว่าสูตรต่อมัปัญญาเกิดจากการศึกษาอ่านเรียนรู้อะไรมากมายยกมาเป็นชาต นั่นก็เป็นสูตรตทีการศึกษาโต้ตอบกับไครจำได้ไม่ใช่พบเห็นคิดได้จำได้ไม่ใช่รู้จำแบบนั้นเป็นการรู้แจ้งศาสนาธรรมเป็นการรู้แจ้งตรงเนี้ยอันนี้เรียกว่าตัวไข่ตัวมันไม่ใช่ของแม่งปันถ้าเกิดความหลงตองละให้เป็นความรู้ หลงที่ได ร, รู้ทุกที่ได ร, รู้เข้าไปเลยเป็นทุกข์ความเป็นทุกข์ไม่ใช่กวามทุกข์กลายเป็นมัญญาความทุกข์กลายเป็นนิพพานได้จริงจริงก็ถึงปานนั่นแต่ก่อนความทุกข์ <c oughs> เป็นความทุกข์ฝึกไปฝึกไปความทุกข์เป็นนิพพานเลยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์กวามไม่เที่ยงเป็นนิพพานได้เลย ความมีตัวมีตนเป็นทุกข์ความไม่มีตัวไม่ตนเป็นนิพพานไปนเลยนิพพานคือมันไม่มีไออุ่นเย็นชนิดในความทุกข์เย็นไปเย็นไปเหมือนเรากินข้าวแกงมันร้อนยังกินไม่ได้ข้าวมันร้อนกินได้กินอะไม่เย็นเ ย, ย็นไปก่อนให้มันเย็นเราจึงกินได้ นิพพานอยู่ในข้าวนิพพานอยู่ในเริ่มดุร้ายหมดพิษหมดสงฆ่างพยศดุสลายคนตายช่างหมดพยศกี่โคมันได้ม้าพยศใช้เข้ารถหม้าเทียมรถไปได้ม่าหมดพยศแตัวาม่านิพพานแล้วใช้งานได้คนนิพพานคือคนไม่ตาย หมดพิษหมดภัยแก่ตัวเองและคนอื่นปัญหาร่างกายเป็นทุกข์ปัญหาเรื่องเวทนาเป็นทุกข์ปัญหาเรื่องคิดชื่คิดเป็นทุกข์ปัญหาเรื่องอารมณ์เป็นทุกข์ไม่มี์มัน ก, ก็เย็นไปมากมายแล้วทำไมจะไม่เรียกว่ากระเสอไปเห็นโูกเห็นนามเข้ายิ่งเครี้ยงไปเลยไม่ต้องเรียกว่าสุขว่าทุกข์เรียกว่าอาการได้เล ย, เลยสรุปลงมาได้เลยนั่นเป็นสูตรไปอย่างนี้ พระเจ้าเทศสอนปัญจวัคคีย์อย่างนี้ทางอันที่ควรสุดต่งทางตันทางผ่านมันผ่านมันตันตรงไหนมันผ่านได้ไหมวรวมหลงตันแล้ ว, วรวมรู้ผ่านไปเห็นเหมือนหลงไม่ใช่เป็นผู้หลงวรวมทุกเหมือนตันไว รวมรู้จึกตัวเห็นมันทุกข์ไม่ใช่เป็นผู้ทุกข์ผ่านไปล้อันใดที่มันตันไม่ควรเจ็บอันใดที่มันสุดโต่งไม่ถึงที่หมายไม่ควรเจ็บอันใดที่มันเป็นรางถึงจุดหมายปลายทางนั่นเป็นควรเจ็บผู้ใดไปเจ็บความหลงความทุกข์ความโกรธไม่ใช่ผมอาจารย์เป็นทำอันต่ำ เป็นหินธรรมเป็นธรรมต่ําสามบันปลาคิตคือผู้ที่เห็นภัยไม่ควรเสกทุกคนเป็นบันปลคิดไเห็นภัยทวงหลงเป็นภัยความโกรธเป็นภัยความทุกข์เป็นภัยความไม่โกรธก็มไม่โลภก็มไม่ทุกข์ไม่มีภัยผู้ไม่มีภัยเรียกว่าอาริยะน้อยน้อยไปผู้มีภัยเรียกว่าปูถุผู้หายนี่นแต่พิษภัย ถ้าเราเบียดเบียนตัวเองได้ก็เบียดเบียนคนอื่นได้ถ้าเราไม่รู้จักสงสารตัวเองไม่รู้จักช่วยตัวเงก็ช่วยคนอื่นไม่ค่อยปไปไม่ค่อยเป็นหน้าสงสารที่สุดคือลูกคือนา้าไม่รู้จักช่วยลูกไม่รู้จักช่วยน้าเลยต่ อ, อยทิ้งไปเลยรูกเบียดเบียนน้ำน้ําเบียดเบียนลูกพอมาจั่วตาหนี้โอ้ยน้ําตาไหล ห้างตละสงสาลโลกสงสารนามการาต์ตือเรืองลน้นอันชี่ว่าทุกเนี่การ์ตูนรืองล้นบ้างเหมือนไฟตกใส่ขารีบปัดเอาทันทีอันชื่อว่าทุกคนเราผู้ฝึกหัดตัวเองมาหวานกันบางทีบางคนไมค่อยฝึกหัดตรงนี้เรื่องทุกข์ก็ยิ่งดีเอามาคิดไม่รู้จะลืม ไม่รู้จกักเลยบางคนนึก็พะดว่าเท้ากู้ได้โกรธเท้าตายก็ไม่เลือกเอาแต่เรื่องนั้นหมายิดต่างเกินก็ออกมาชิดจะ น, นอนไม่ดับมันบ้าไม่รู้จักช่วยตัวเองถ้าไม่รู้จักช่วยตัวมันจะอยู่ได้อย่งไรเราจะพึ่งบ้าจะกันได้ไอย่างไรเราไม่อารมณ์เป็นใหญ่ค่มไล่ ค, ม, ลคมดีผู้ฟูแพ่แพร่ ความรักกลายเป็นความเจลียดชางฆ่ากันเมื่อความรักก็มีแต่เล่าสําคีเราจู้จี้กันยังไงเราไม่ใช่ตัวคนเหนียวเกี่ยวกับ่ากับใจเกี่ยวกับรูปรถจินเสียงมันก็มีอยู่ในตัวเรานี้ให้สิ่งเหล่านั้นหลีกขีดชีวิตเราเลอนอกจากนั้นก็ยังมีอีกทั่วๆไปถ้าเรามาลู่เรื่องนี้มันก็จบอันเดียวเท่านั้นไม่ใช่ไปห้ามคนเดินเราห้ามตัวเรา เราสอนตัวเราเราดินเธเป็นเลืองของเราเราเฉลิเสริญเป็นเรื่องของเราเราลู่กว่าคนอื่นเขาคนอื่นอาจจะไม่ลู่เราเท่ากับตัวเราลู่ตัวเรามันก็มีแน่นอนเราเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันอย่างอยู่ที่นี่ก็มีพระมีโยมมีคลรภ์ว่าเจ้าโจมมีคนหลงมีคนลู่ คนหนังรู้คนหนังก็หลงก็มีแล้วก็งองความหลงเป็นคนอันเดียวกันไปเลยบางทีเราก็เกี่ยวห้องด้วยกันไปมาหาสู่เดินไปด้วยกันกินเท่าด้วยกันบางคนก็ชวนให้หลงบางคนก็ชวนให้รู้บางคนเขาชวนให้หลงกลายเป็นความรู้บางคนก็ชวนให้หลงกลายเป็นความหลงมีเหมือนกัน ครบหัวแร่งเป็นแร่งคบโัวกายเป็นกายบางคนมีปัญญาเราจึงพยายามลูกเรื่องนี้ให้ดีๆไปที่เสกิดไปได้ในโลกนี้มันเป็นโลกกระทำมีส่วเสริมมีนินทามีสุขมีทุกข์ไม่ได้ไม่เสียอันนั่นเป็นสิ่งที่เหนือชีวิตเราแต่ถ้าผู้ที่ฝึกตนเดแล้วเหนือจิตเราได้อยู่เหนือโลกกระทำทับถมมาได้ ผู้ไม่เปิกแล้วต่ําเมื่อเนินทาก็เป็นทุกเมื่อสันเชิญเป็นสุขโลดต่ําถ้าเราเปิกเมื่สูงมนุษย์ใจสูงเห็นไม่ใช่เป็นมนุษย์แล้วไม่เป็นที่จะเห็นเมื่อเป็นมนุษย์เป็นมักเป็นผลเป็นพระดาวมนุษย์โสปฏิลาโภกระเดินเป็นมนุษย์เป็นลาบเปนประเสริ ต้องใจสูงสูงเห็นมันจะไปเป็นอะไรกับอะไรง่ายเกินป่ปต้องมาฝึกทำไงเราจึงรู้จึกตัวเรามีสิติ 100% อยเจอยู่ที่นี่ไม่ต้องคิดเรื่องจินเรื่องอะไรต่างๆก่อนเดื่นทำให้เราแล้วที่หลับที่นอนไปหาได้ไปบอกเราเตรียวไว้ให้เก็บแค่ได้ป่วยบอกเรามีรถพาไปหาหมอ ตามตีปัญญาของเราก็ช่วยกันได้แต่ต้องรู้จักตัวเองรู้จักกินจักใช้ชีวิตให้ดีๆทุกวันนี้ไม่เหมือนเก่าอย่างคำขวนของรัฐบาลจิ้นล้นช้อนกลางล่างมือต้องเช่งคัดจะประมาทตะบาปไม่ได้ไม่แต่โทษแต่ภยัยมีแต่พิษภยัยในแผ่นดินก็มีพิษ ในอากาศก็มีพิษในน้ำก็มีพิษต่อไปหาที่เดินไม่ได้ในแผ่นดินนี้หาอากาศหายใจไม่ได้เอาขาจุ่มน้ำลงไปก็เกิดโรคแล้วฝีมือของใครฝีมือของคนหลงฝีมือของคนไม่ใช่ บ, บรรลุบรรลุต้องรับผิดชอบอย่าทิ้งอะไรเกืก่อนคาดอย่ามาง่ายใช้ชีวิตให้แม่ยำชัดเจน อย่มั่วซั่วจิดเชิงใดพูดเชิงใดมีสติสัมสัญญาให้รอบครอบถ้าไม่มีใครบอกมันจะอยู่ยังไงไม่มีการทํำเกิดอะไรขึ้นเราต้ององมงงเศร้าๆกันอยู่นี่ช่วยกันอยู่นี่ถ้าตัวรอดมันก็ดีแล้วไม่ต้องมานั่งอยู่นี่ไม่ต้องมาพูดอะไรอยู่ที่ไหนก็ได้จะบอกจีนเนี่ยไม่มากขอใครจินก็ได้ แต่เราไม่ใช่อย่างอะไร้าต้องมาบอกว่าสอนมาเป็นเพื่อนเป็ น, ป น, ป น, ปนมิตรอยู่ด้วยกันสุขด้วยกันทุกข์ด้วยกันหิวก็หิวด้วยกันอิ่มก็อิ่มด้วยกันอาหารอย่างเดียวทีนี่อาหารจากโองทานไม่ใช่อาหารจากตีเซลลหรือมีรีเซลล์ไหยกออกจากหม้อไปตั้งให้กินร้อนๆแต่ต้องไวชั่งหน่อย อย่าเฉยชายพระตากวางก็รีบๆสักหน่อยเพื่อให้มันถัดเวลาอย่าเฉยชาตักไปไว้เร็วดีๆเอาให้อิ่มอย่าให้เหลือหาเติมมั้ยเหลือไหมเหลือไปให้ไก่เหลืให้กระลอกเหลืไม่ไดให้ปลาไม่จําเป็นก็อยาให้แล้วเช็คพ่เข้า ก็ไม่เป็นไรอย่าให้มากเกินไปถ้าเป็นขนมมีอาหารมีนําแจ่งคนจะเอามาให้ปลากินถ้าเป็นก้อนข้าวนิดหน่อยไม่เสร็จไม่มีซากปลามาคืนหมดบางทีก็น่าให้แะปลาเนะี่มันอ้าปากรอไว้ถึงเวลาเห็นไหนเดินไปสะพานนะมันทาเป็นตัวงอๆ อ, อ, อ, อ้าปากปลาดุ เออไอ้ น, นี่มันก็ตู้เวลานะโยนข้าวมันก็ข้าเป่าไม่เหลือพครหัดมันไม่รู้นะเป็นสำเนินภาคตะวันลอนนะสำเนินภาคตะวัลนลอนมาอยู่ก็ให้อาหารมันเพราะเราก็ไม่จําเป็นนะเจตอาหารอย่าไปคีลงน้ำถ้าปนก้นข้าวนิดหน่อยไม่เป็นไรจะกินเปลือกหนาเผลือกไก่กันไปเห็น แพไกเป็นผงฝูงแถวนะี้